วันนี้เป็นวันพระนะพระที่ว่าเนี่ยนะหมายถึงพระธรรมนะไม่ใช่พระพุทธหรือว่าพระสงฆ์เป็นวันพระธรรมนะถ้าชื่อเป็นทางการเขาเรียกว่าวันธรรมสวัสวันธรรมสวัณคือวันแห่งการฟังธรรมนะฟังอะไรต่ออะไรมามากแล้วฟังเพลง นะฟังคนดินทากันฟังอะไรต่ออะไรก็ได้เวลาก็ต้องฟังทำกันบ้างนอกจากฟังทำแล้วนะก็ควรจะปฏิบัติทำด้วยนะหลายคนก็เข้าวัดนะเพื่อมาถวายทานหรือถึงไม่ได้เข้าวัดก็ อยู่บ้านใส่บาตนะแต่ที่สมคัญคือการรักษาศีล น, นะอันนี้เป็นเป็นอ่จะเรียกหัวใจนะของการปฏิบัติธรรมในวันพระการรักษาศีลแปดเนี่ยนะเราก็ต้องรักษาถูกต้องนะ มานพระเป็นโอกาสที่เราจะได้มารักษาศีลแปดถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องนะมันก็อาจจะกลายเป็นศีลแปดเปื้อนได้แปดเปื้อนคือมันไม่สวยไม่สะอาดแปดเปื้อน้วยอะไรแปดเปื้อนด้วยกิเลส8ดเปื้อนด้วยความหลงเช่นมารักษาศีลแปดมาอยู่วัดแต่ว่า ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเอาแต่พูดคุยกันนะไม่ได้ฝึกัดขัดเกลาจิตใจตัวเองอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นศีแปดปืนมากกว่าหรือว่าทำด้วยเจตนาที่ไม่ถูกต้อง นะเช่นอยากจะให้คนเขาชื่นชมเราเขามองว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้มีศีลอันนี้เรียกว่าทําด้วยกิเลสนะทำด้วยกิเลสนะนะหรือว่ามองคนว่ามองคนอื่นที่เขาไม่รักษาศีลแปดเหมือนอย่างเราว่าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่อง สู้เราไม่ได้การยกตนข่มท่านแบบนี้มันก็เป็นกิเลสนะเรียกว่ามานะนะมานะนี่เป็นชื่อของกิเลสตัวหนึ่งนะไม่ใช่เป็นของดีภาษาไทยมานะแปลว่าความพยายามอย่างที่เรามักจะเรียกติดกันว่ามานะพยายามแต่ว่าภาษาบาลีมานะเนี่ย มันเป็นกิเลสตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยนะกิเลสตัวใหญ่มีสามตัวนะตัณหามาณนะแล้วก็ทิฏฐิตัณหานี่มันอยากได้ของนะอยากเสพอยากบริโภคอยากครอบครองสิ่งที่เป็นวัตถุเงินทองเนี่ยส่วนมาณ น, นี่มันเป็นความอยากใหญ่นะ อยากใหญ่หรือว่าความถือตัวถือตนหรือว่าการยกตนข่มท่านนะเรารักษาศีลศีลนี่เป็นของดีแต่ก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นปาา ศ, นะปาาศีลพัตตปรามาตนะศิลพัตตปรมาตปรมาตแปลว่าแปดเปื้อนเหมือนกันนะบงทีก็แปลว่าเป็นรูปคล้ำนะ รูปคำหรือแปดเปื้อนอะไรมารูปคำอะไรที่แปดเปื้อนก็คือตัณหามาณทิฐินั่นแหละแต่ถ้าเก็เราปฏิบัติถูกต้องนะมันก็เป็นศีลอริยะนะมารักษาอุโบสถศีลก็คอยมันเป็นอริยอุโบสถทศศีลนะอริยอุโบสถศีอริยอุโบสถศศลี น, นี่นะ ทำอย่างไรนะก็คือว่าการมารักษาศีลเพื่อมุ่งขัดเกลากิเลสของตัวเองหรือพูดให้กว้างกันนะก็คือฝึกฝนขัดเกลาจิตใจของตนขัดเกลาด้วยนะขัดก้อยสะอาดแล้วก็ฝึกฝนนะฝึกฝนให้เป็นจิตใจที่ดีงามเป็นจิตใจที่มีความสุขเป็นสุขที่ประณีตนะ ไม่ใช่สุขจากการเสพจากการบริโภคจากการมีจากการครอบครองนะมันมีสุขที่ปนนีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นและนอกจากการฝึกฝนขัดเกลารจิตใจแล้วนะอริยโบสถสิงก็ยังเกิดขึ้นจากการที่ได้มันพิจารณาและลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เนืองเนืองนะเป็นการปลูกศรัทธาให้ มันคงแน่นแฟ้นนะการมาใกล้มาปฏิบัติรักษาศีลในวัดเนี่ยนะก็ทำให้จิตใจน้อมนึกถึงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ทํทำให้เกิดกำลังในการทำความเพียรนะสู้กับกิเลสตัณหาในจิตใจได้ และสิ่งที่ช่วยทำให้เรารักษาศีลแปดได้อย่างมั่นคงนะตรงกระทบเป็นอริยอุโบสถศีล น, นะก็คือการที่เราเราลึกอยู่เสมอว่าศีลที่เรารักษาแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยนะก็คือศีลที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญ ให้เราเกิดความมั่นใจเกิดความภาคภูมิใจว่านะ่ะสิ่งที่เราทําเนี่ยก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ทํามาก่อนแล้วเรียกว่าเป็นการเดินตามท่านปฏิบัติตามท่านแล้วก็ทําให้เราเข้าใกล้ความเป็นอรหันต์นะมากขึ้นเข้าใกล้มากขึ้นนะเกิดมาทั้งทีนะ มีอวัยวะครบสาสิบสองไม่เจ็บไม่ป่วยนะมีอายุยืนมาถึงป่านนี้นะก็ถือว่าเป็นโชคนะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝนะึกฝนพัฒนาตนเพื่อได้พบกับสิ่งที่ประเสริฐนะไม่ใช่หมดแต่หาเงินหาทอง หรือว่าหาเกียรติยศชื่อเสียงอันนั้นมันให้ความสุขโชคราวตายไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เอาไปไม่ได้เลยก่อนจะตายสิ่งที่มีเหล่านี้มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ตายอย่างสงบเป็นสุขได้ปรับทำให้ทุรนทุรายด้วยซ้ำ มีบางคนนะป่วยป่วยหนักนะความจำก็เสื่อมลืมลูกนะลืมหลานแต่ว่าเอาแต่อย่างเดียวที่พร่ำหาเรียกร้องนะก็คือขอดูนะขอดูสมุดบัญชี อยากดูว่าบัญชีของฉันตอนนี้เนี่ยมีเงินเท่าไหร่นะมีทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วก็อยากดูว่าใครเป็นหนี้ฉันบ้างหรือหมดละไม่สนใจอะไรละทำ ม, มากก็ไม่สนใจแต่สนใจแต่เงินทองก็ยิ่งทำให้มีความทุกขนะ์หนมันตายไม่ได้นะเพราะหวงแหงเงินทองเอาไว้ อันนเรียกว่าทำให้ตายไม่สงบนะแล้วก็เป็นการปิดกัน้นจิตใจไม่ให้รับธรรมะนะคนเราก่อนจะตายถ้าได้อาศัยธรรมะมันก็ช่วยทำให้จิตใจสงบลงบ้างนะบางคนเนี่ยเที่ยวจนติดนะอายุกา้าสิบเจ็ดปีเกือบร้อยแล้วร่างกายก็อ่อนแอควรที่จะนอนพักที่บ้าน แตอยู่บ้านไม่ได้เลยนะอยู่บ้านไม่เป็นสุขเลยจะต้องให้ลูกให้หลานเนี่ยพาออกไปเที่ยวเคยมีเมียเมียก็อายุไม่มากนะห่างกับตัวต้องสี่สิบปีเพราะว่าเมียก็ทดไม่ไหวนเะพราะว่าถูกลบเราให้พาไปเที่ยวอยู่ทุกวัน ต้องขับรถไปเที่ยวไปเห็นโน่นเห็นนี่แล้วก็ต้องไปพาไปกินร้านอาหารดีๆของอ ร, อร่อยอร่อยร่างกายมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วแต่ก็ถ้าวันไหนไม่ได้เที่ยววันไหนไม่ได้กินก็จะงุนงานพุ่นพล่านนะบางทีก็เคาะประตูกตบประตูตะกนเลือกให้คนพาไปเที่ยว ตางคกลางคืนก็ยังโวยวายนะเ น, นี่ยเมียก็เลยหนีอยู่ไม่ไหวหลานมารับช่วงหลานก็ทุกนะเพราะว่าไม่เป็นอันทำงานแล้วก็ไม่เป็นอันพักผ่อนต้องขับรถพาปู่ไปเที่ยวอันนี้น่าสงสารนะน่าสงสารว่าจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทนอยู่เฉย คนเดียวที่บ้านได้ขนาดร่างกายยังไม่เจ็บไม่ป่วยมากนี่ยังงุนงานพุ่นพานขนาดนี้แล้วจะเกิดป่วยจนท่านจนกระทั่ง น, นอนติดเตียงเนี่ยมันจะขนาดไหนนะไอต้องมัดเอาไว้เลยเพราะทำไมมัดนี่ก็จะหาทางนะลงมาจากเตียงจะไปโน่นไปนี่ให้ได้หรือแม่งไม่ชนะก็ดินนะ อันนี้ก็เรียกว่าน่าสงสารนะขนาดมีโชคนะอายุยืนถึงเก้าสิบเจ็ดปีนี่แทนที่จะใช้เวลาที่มีเนะี่ยทำความดีซึมซับรับธรรมะเพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการเกิดมาเป็นมนุษย์นะประโยชน์สูงสุด ข, ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือการที่ได้นะ เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงนะก็คืออิสระจากกิเลสอิสระจากความทุกขนะ์อันนี้เรียกว่าทำํำไมมนุษย์เนี่ยเหนือกว่าเทวดาและมารพร้มด้วยซ้ำแลนะนะทำให้เราสามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อมนุษย์ได้อย่างมีความสุขนะ น, นี้เรียกว่าประโยชน์สูงสุด ข, ของการเกิดเป็นมนุษย์นะ แต่ถ้าเกิดมาทั้งทนะีไม่เคยรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีเลยแล้วก็ไม่พยายามเข้าถึงไม่ได้สัมผัสนะแม้เพียงเล็กน้อยของประโยชน์สุขอันนี้นะมันก็เรียกว่าน่าเสียดายแล้วมันก็จะพาพอไม่ได้สัมผัสต ร, ตรงนี้นะมันก็จะทำให้เขาไปหาความสุขชนิดอื่นนะที่หยาบกว่าซึ่งบางทีมันก็ ทำให้เกิดความทุกข์เพราะความหวงความแหนหรือว่าทําให้ทําความชั่วเพราะอยากได้จนห้ามใจไม่อยู่นะเช่นไปขโมยเขาไปป้นจี้ไปคดโกงเขาหรือว่าไปชำเราเขาเนี่อันนี้มันมีแตยจพาไปสู่อบายอัน เรามารักษาศีลทั้งทีนะโดยเพราะศีลแปดหรืออุโบสถศีลเนี่ยก็ให้ศีลที่เราบาเพ็ญเนี่ยเป็นอริยะนะอริยะอุโบสถศีลและอริยะอุโบสถศีลที่เรารักษานี่แหละนะต่อไปก็เขาก็จะรักษาเราแล้วก็ทำให้เราเข้าใกล้ความเป็นอริยะมากขึ้น วันนี้เรารักษาศีล น, นะต่อไปศีลจะรักษาเราการที่เรามาสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลแปดเนี่ยนะอย่าไปมองว่ามันเป็นการทรมานตนนะหรือว่ามันเป็นการทำตนให้ลาบากที่จริงพวกเราที่มารักษาศีลกันมานานหลายปีนี่ก็คงจะรู้ว่ามันไม่ใช่การทรมาน หรือการทำตัวให้ลำบากเลยสบายด้วยซ้ำนะแต่อย่าให้เป็นแค่ความสบายเพราะว่าไม่ได้มาทำงานนะบางคนก็ใช้โอกาสนี้นะพักงานนะมารักษาศีลไม่ต้องไปวุ่นวายนะกับไล่นาได้ห่างจากบ้านห่างจากครอบครัวก็ช่วยทำให้ใจสงบลงบ้าง เพราะว่าที่บ้านมันวุ่นวายบางทีลูกก็เปิดโทรทัศน์นะหรือว่าเมียก็บ่นนะผัวก็ว่ากลับมาออกมาอยู่ที่วัดมันสบายสบายแค่นี้ยังไม่พอนะมันไม่ใช่อนิสงของการมารักษาศีล น, นะจะรักษาศีลแล้วเกิดอนิสง์มากนี่ก็เพราะว่าได้ฝึกฝนตนด้วยนะ ไม่ใช่แค่ทิ้งงานได้พักกายพักใจนะชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าให้การรักษาเสียงของเราเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนตนนะให้พึงพอใจในความเรียบง่ายนะให้มีความพึงพอใจแม้ว่าไม่ได้เสพนะการมาสุข กามาสุขก็คือสุขที่เกิดจากการบริโภคทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเช่เนกินอาหารอร่อยอันนี้ก็เรียกว่าการมาสุขนะอาหารอร่อยใครๆก็อยากกินเพลงที่ไพเราะหนังที่สนุกหรือว่าการที่ได้ละเล่นนะอันนี้ก็เป็นการมาสุขเมื่อเรามาถือศีลแปดเนี่ย ข้อสมเนี่ยก็คือการถือพรหมจรรย์ไม่ไปหลับนอนอย่างที่เคยทําไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือสมัยนี้ก็ต้องรวมถึงเพศเดียวกันด้วยนะที่มีใจปลูกพันกันไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะเพื่อหาความสุขทางเนื้อหนังนะอย่างที่เคยทํารวมทั้งที่เคยกินอาหารนะเชา้ากลางวันเย็นค่ํำนะ อันนี้ก็เผาลงนะกินแค่บัละมือ้อสองมื้อไม่เกินเที่ยงนะอันนี้มันก็เป็นการลดละนะการมาสุขนะรวมทั้งการาไม่ไปเจียวเตะร้องลํำทำเพลงไปเสพความบันเทิงเริงรมนะรวมทั้งการประดับประดาร่างกายด้วยของหอมนะเพราะบางคนก็ อยากจะเห็นตัวเองสวยอยากจะเห็นตัวเองหล่ อ, ลอนะจะได้คนมีคนมาติดมีคนมาชื่นชมนะหรือว่าจะทำให้มีเพศตรงข้ามมาเข้ามาหาอันนี้ก็เป็นการมาสุขแบบหนึ่งเหมือนกันคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ลหลงไหลในการมาสุขนะจนกระทั่งทําชั่วหรือถึงแม้ไม่ทําชั่วแต่ว่า ก็มีความทุกข์เพราะความหวงความแหนในการมาสุขนะซึ่งมีเงินทองเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนนะการมารักษาศีลเนี่ยนะก็เพื่อให้เราเนี่ยเหินห่างจากมันบ้างไม่ใช่แค่เหินห่างอย่างเดียวนะแต่เพื่อที่เราจะได้รับความสุขที่มันประเสริฐกว่านะอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่ามันคือเนคขมมะสุขเนคขมมะคือการออกจากกาม นะก้าอวอจากการหรือการไกลจากการมาสุขเพื่อจะได้เข้าถึงความสุขหรือสัมผัสความสุขที่เป็นนี่คือความสุขทางใจให้การมาสุขเนี่ยมันเป็นความสุขทางกายนะแต่ว่ามันมีความสุขที่ดีกว่านั้นนะเป็นความสุขทางจิตใ จ, จนะความสุขจากจิตที่สงบนะความสุขที่เกิดจากจิตที่รู้จักลดจักละนะนี่สําคัญนะ คนไปว่าความสุขเกิดจากการมีการได้นะีอันนั้นเป็นความสุขทางโลกนะแต่ว่ความสุขทางธรรมหรือความสุขทางจิตใจเนี่ยมันเกิดจากการลดการละนะรวมถึงการสละด้วยยกนะตัวอย่างเช่นการการให้ทานเนี่ยนะการให้ทานเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขนะสุขที่ใจ เมื่อเราให้ทานเราให้สิ่งของแก่คนที่เขาควรจะได้รับเมื่อเรามอบของให้กับคนยากจนนะช่วยต่อชีวิตนะให้ข้าวให้น้ำเขาเขามีความสุขเราก็พอยมีความสุขด้วยหรือเราถวายของพระนะเราถวายเราก็มีความสุขเราก็เกิดปิตินะอันนี้เรืยความสุขที่เกิดจากการสละ กจากการละนอกจากสิ่งของแล้วเราก็สละนะแรงกายช่วยเหลือผู้อื่นคนที่เดือดร้อนนะเราก็เข้าไปช่วยเขานะช่วยด้วยแรงกายด้วยแรงใจนะทุ่มเททั้งสติทั้งปัญญาเพื่อช่วยเขานะมีความสุขพ้นจากความทุกข์นะไปเป็นจิตอาสานะช่วยเหลือเด็กกําพรา้าคนยากจน หรือว่าดูแลสัตว์นะที่เขาถูกทอดทิ้งนะอันนี้ก็เราเลือกประการทําบุญเราทําแล้วนะใจก็พลอยเป็นบุญด้วยก็คือมีความสุขนะเราต้องรู้จักความสุขชนิดนี้นะคือความสุขที่เกิดจากจากการลดการละหรือการสละแม้แต่การที่เราสละการมาสุขเนี่ยนะ มันก็ทําให้เกิดความสุขเหมือนกันนะเป็นความสุขทางใจก็คือว่าชิตมันได้สงบนะมันไม่วุ่นวายเพราะการเที่ยวการเล่นเนี่ยนะมันเพลิดเพลินทางกายก็จริงแต่ว่ามีความเหนื่อยนะในจิตใจจิตใจว้าวุ่นมันว้าวุ่นเพราะอยากได้อีกอยากได้มากนะเกิดอาการเสพติดนะเหมือนกับ ปู่คนที่ว่าแกเสพติดแล้วเสพติดการกินอาหารเสพติดการเที่ยวนะบางคนติดหนังนะดูหนังทุกวันถ้าวันไหนไม่ดูนี่ก็กระสับกระส่ า, สายบางคนก็ติดของอร่อยติดฟังเพลงเนะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนะมันก็จะเป็นท่าของการมาสุก แล้วก็จะหาความสงบสุขไม่เจอคราวนี้พอเราเริ่มที่จะละเริ่มลดเริ่มเลิกนะจิตใจเราก็จะเป็นอิสระพออิสระก็จะพบกับความสุขนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าเนคขมมาสุขนะคือสุขที่ไม่ต้องพึ่งพิงกามาสุขหรือว่ า, าลูกลดกินเสียงคราวนี้นอกจากการที่พูดมาเนี่ยคือการสละ สิ่งที่ชอบหรือหรือว่าสละสิ่งดีๆที่มีอยู่นะเช่นสละทรัพย์นะมีเงินก็ธรรมชาติคนเราก็หวงแหนนะแต่เราก็สละไปทำให้มันเป็นนายเหนือใจเราน้อยลงแทนที่มันจะเป็นนายเราเราเป็นนายมันละเพราะว่าเราพร้อมที่จะสละมันเพื่อประโยชน์ได้ทุกเมื่อนะไม่หวงแหนไม่ตนหนีนะอันนี้เรียกว่าเราเป็นนายของเงินนะ ไม่ใช่มันเป็นนายเรานะถ้ามันเป็นนายเราแล้วนีเราทุกขนะ์้งแต่ถ้าเราเป็นนายมันนี่เรามีความสบายแล้วอิสระอิสระว่าเป็นใหญ่นะอิสระนี่ความหมายจริงคือว่าเป็นใหญ่นะถ้าเราเป็นนายของเงินนะอันนี้เราเราอิสระและทำให้เกิดความสุขใจนะที่นอกจากการสละสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วเนี่ย ไอ้การสละสิ่งไม่ดีที่ยึดเอาไว้ในใจนี่ก็สําคัญนะคนเรานี่หวงแหนไม่ใช่เฉพาะสิ่งดีๆที่มีนะไอ้สิ่งไม่ดีที่อยู่ในใจก็หวงแหนนะเช่นความโกรธเนี่ยนะความโกรนี่มันดีที่ไหนนะแต่มันเกิดขึ้นที่ใจใครเนี่ยคนนั้นก็จะหวงแหนเอาไว้นะความอาฆาต พ, พยาบาทเนี่ยเกิดขึ้นกับ จิตใจของใครเนี่ยโอ้มันจะหวงแหนเอาไว้มันคิดแคดมันคิดเคียดแค้แคนะคนมาบอกว่าให้อภัยก็เถิดให้อภัยเถิดนะก็กบไม่ชอบคนที่แนะนำอย่างนั้นนะมันก็แปลงนะความโกรธความพยาบาทเนี่ยมันมันเผาใจไม่ได้ทำให้มีความสุขเลยนะแต่ทำไมเราหวงแหนมันเอาไว้ อันนี้เพราะเป็นความโง่เป็นความหลงของคนเราแต่ถ้าลองรู้จักนะสละมันออกไปจากใจจะรู้สึกสบายเลยคนที่โกรธเนี่ยโกรธมากๆนะโกรธสะสมเนี่ยพอให้อภัยเานะโอ้มันสบายนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่ถูกทรมานนะถูกตัดหูทั้งสองข้างถูกเฉือนจมูกถูกตัดถูกเฉือน ริมฝีปากนะอันทรมานมากนะต้องผ่าตัดถึงเจ็ดเจ็ดครั้งนะกว่าจะกลับมาเป็นปกติเครียดแค้นมากแต่ตัวหลังนี่ก็รู้ว่าเครียดแค้นไปก็มันทรมานจิตใจตดยเปล่าก็เลยให้อภัยนพอให้อภัยแล้วเนี่ยสึกว่าเออสบายเธอบอกว่าเนี่ยมันเป็น มันทำให้ฉันเนี่ยมีชีวิตต่อไปได้ง่ายขึ้นคนเราถ้าไม่รู้จักให้อภัยไม่รู้จักสละความโกรธนนะ่มันมีชีวิตยากนะนี่พอสละแล้วเนี่ยใครใครเป็นสุขใครสบายก็เรานั่นแหละให้การสละเนี่ยนะไม่ใช่สละของดีที่มีเท่านั้นนะสละของไม่ดีที่ยึดเอาไว้นี่ก็จำเป็นด้วยนอกจากความโกรธแล้วความเศร้านะ ความเสียใจความอาลายัยอาวร์ความรู้สึกผิดนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยแต่ก็ยังหวงแหนเอาไว้นะต้องรู้จักสละรู้จักปล่อยมันออกไปทํำยังไงนะก็ต้องใช้การภาวนานะทำภาวนาเพื่อให้มีสติเพราะว่าที่เราไปยึดมันเอาไว้เนี่ยเพราะเราหลงเราลืมตัวนะถ้าไม่รู้จักใช้สติ มถ้าไม่มีสตินะมันปล่อยยากนะอาจจะปล่อยได้บางเรื่องบางอย่างเช่นโกรธก็ให้อภัยหรือว่าแผ่เมตตานะแต่ถ้าเป็นอารมณ์อย่างอื่นนะความเศร้าความเสียใจความอาลัยนะความขุ่นเคืองไอ้พวกนี้นี่อย่างอื่นนี่สละได้ยาก ต้องอาศัยสตินะสิ่งไม่ดีที่เรายึดเอาไว้ยังมีอีกนะเช่นความเพียงแก่ตัวเนี่ยความเพียแก่ตัวนะความหรือว่าความยึดติดในอัตตาตัวตนเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ดีเลยความเพียแค่ตัวเนี่ยมันมีกับใครมากเท่าไหร่ก็ยังมีความทุกข์เท่านั้นได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความพอใจสักทีนะ เพราะความเปม็นตัวมันทําให้โลภนะพอโลภแล้วนี่ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจมีมีสิบล้านก็ยังไม่มีความสุขนะคนที่บอกว่าอยากรวยอยากรวยเนี่ยถึงแม้ได้รวยจริงจรนะเช่นมีเงินร้อยล้านนะแต่ว่าเพื่อนบ้า น, นี่เขามีเงินพันล้านหรือวเพื่อนร่วมห้องเนี่ยนะเรียนมาด้วยกันเนี่ยเขามีเงินพันล้านเนี่ย ถ้าเราถูกแวด ล, ล้อมด้วยคนที่มีเงินพันล้านถึงแม้เรามีเงินร้อยล้านเราก็ไม่มีความสุขนะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นรวยอย่างได้ไม่พอต้องรวยกว่าด้วยคนเราไม่ใช่แค่อยากรวยเท่านั้นนะความจริงเนี่ยอยากจะรวยกว่าด้วยไม่ใช่แค่อยากเก่งเท่านั้นนะอยากเก่งกว่าตัวเองสอบได้สามจุดเก้านะนักเรียนนะนักศึกษาสอบได้สามจุดเก้าแต่เพื่อนทั้งห้องนี้ก็สอบได้สนะี่เนี่ยมีความสุขไหมไม่มีนะ ฉันต้องได้สี่นะอย่างน้อยๆฉันต้องได้เท่าเขานะหรือว่าถ้าฉันได้สี่แต่คนอื่นได้สามจุดแปดเนี่ยเออเนี่ยฉันนี่จะมีความสุขเพราะฉะนี่คนเราไม่ได้แค่อยากเก่งนะแต่ต้องเก่งกว่าคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่อยากสวยอยากหลอ่อเท่านั้นต้องสวยกว่าคนอื่นด้วยต้องหล่อกว่าคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่อยากใหญ่เท่านั้นนะต้องใหญ่กว่าคนอื่นด้วยเนะียอันนี้มันคือความโลภนะ ซึ่งถ้ามีในใจใครนะมันก็ทำให้ไม่มีความสุขนะแต่เราก็หวงแหนเอาไว้นะถ้าคนฉลาดนี่เก็จะรู้จักสละความโลภออกไปให้มากที่สุดนะโดยการหมั่นให้ทานบ้างในการช่วยเหลือผู้อื่นบ้างอัตตาตัวตวนก็นเหมือนกันนะมันมีมันมีกับใครเนี่ยนะก็ไม่มีความสุขนะ ใครพูดไม่ดีกับเราก็โกรธนะไม่ต้องว่านะเพียงแค่ไม่ชอบเพียงแค่ไม่ชมเราเนี่ยเราก็ทุกข์แล้วเนี่ยอย่างวัยรุ่นเดียเ๋ยวนี้ผู้ใหญ่ด้วยเล่น a ฟ e b o o กกันนะถ้าขึ้นก็เรียกว่าขึ้นสเตตัสส่งข้อความส่งรูปขึ้นไปไม่มีคนชมไม่มีคนกดไลค์ก็ไม่มีความสุขนะ บางคนก็ถึงกลับไปบอกเพื่อนว่าให้ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะไปตระเวนบอกเพื่อนนะให้ช่วยกดไลค์ให้หน่อยกดลยลยไลค์ไลค์แปลว่าชอบนะนะคือต้องเดี๋ยวนี้ต้องมีคนชมนะทำแล้วก็ตามต้องมีคนชมถ้าไม่มีคนชมเนี่ยเป็นทุกข์แล้วอันเนี้ยมันเป็นเพราะอัตราตัวตนมันใหญ่มากเนะ่และยิ่งโตขึ้นก็อัตราก็ใหญ่ก็เลยทะเลาะกันได้ง่าย เขาพูดไม่ดีกับเราก็โกรธเขานะพอโกรธแล้วเนี่ยอัตตามาสั่งให้ด่าก็ดา่านะแล้วคนเรานี่ก็ก็ไปเชื่ออัตตามากนะยอมเป็นทาาของอัตตาอัตตามาสั่งให้ด่าก็ดา่าทั้งที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งที่เรารักษาศีล น, นะแต่ว่ากลับพูดจาว่าร้ายนะคุมอารมณ์ไม่อยู่อันนี้เพราะว่า เราเป็นท่าของอัตตานะไปยึดติดในอัตตาตัวตนมากนะหรือว่าใครปฏิบัติธรรมขยันกว่าเรานะเขาเข่งคลัตในการถือศีมากกว่าเราอัตตามันไม่พอใจนะ่ตาตาไม่ชอบนะเพราะว่าแสดงว่าเขาเก่งกว่าเราเขาดีกว่าเราอัตตาเนี่ยมันต้องการดีกว่าคนอื่นนะเป็นคนดีไม่พอนะ อัตตามันต้องการดีกว่าคนอื่นด้วยพอเห็นคนอื่นที่ดีกว่าก็อิจฉาเขาก็หาทางค่อนแครค่อนขอดเขานินทาเขานะวันนีก็ใส่ร้ายเขาเนี่ยนักปฏิบัติทาบางทีก็เผลอทําร้ายคนโดยไม่รู้ตัวนะนินทาเขาอิจฉาเขานะไปว่าร้ายเขานะเพียงเพราะว่าเขาถือศีลเข้่กันเราหรือว่า ปฏิบัติธรรมขยันกว่าเราเช่นนั้นแหละนี่ถ้าเราตกเป็นท่าของอัตตานะมันก็ทําดีไม่ขึ้นนะทําดีได้ยากแล้วบางทีอัตตามก็ทําให้เราหลงแต่ว่าฉันเป็นคนดีเวลาใครที่รู้สึกว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยให้ต้องระวังนะถ้านึกว่าตัวเองเป็นคนดีเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละกําลังโดนกิเลสเล่นงานล้วเพราะว่ากิเลสหรืออัตตาเนี่ยมันต้องการยกหูชูหาง กูเป็นคนดีเว้ยกูเป็นคนดีเว้ยแล้วต้องการโชว์ประกาศให้โลกรู้เรือกประกาศตัวตนอันนี้แหละนะต้องระวังเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าเราเป็นคนดีนั่นแหละเรากําลังจะกลายเป็นคนไม่ดีไปละเพราะว่าโดนกิเลสเล่นงานโดนอัตตามันครอบงำํำนะต้องตว่าใส่มันนะแล้วต้องพยายามลดพยายามละพยายามฝึกลดละอัตตาให้ได้ นะให้เอาคํานินทาต่อว่าของผู้คนนั่แหละไอ้ที่ไม่ชอบไม่ชอบเนี่ย เ, เอามาเป็นเครื่องฝึกเอาไว้เป็นเครื่องฝึกใจให้มีความอดทนนะอันนี้อย่างแรกเลยสองถือเป็น <c oughs> เป็นสิ่งที่มาช่วยขัดใจเรานะเวลาใครพูดอะไรไม่ดีเนี่ยมันขัดอก ข, ข, ขัดใจนะเวลาใครทำอะไรไม่ดีเนี่ยรู้สึกขัดอก ข, ข, ขัดใจนะ อันนั้นเราทุกเลยนะแต่เราลองเอามาใช้ขัดใจในความหมายที่ว่าขัดกิเลสให้เบาบางขัดอัตตาให้มันให้มันน้อยลงเวลามีคนมาว่าเราเนี่ยนินทาเราเราโกโรธนะแต่จริงไม่ใช่เราโกโรธเราอัตตามันโกโรธอัตตามันไม่พอใจถ้าคนฉลาดเนี่ยคนที่เป็นบัณฑิตนี่ก็ปล่อยให้มันโวยวายไปปล่อยให้อัตตามันโวยวายไปถือว่ามันกำลังได้รับบทเรียนนะ อย่าไปเอาความทุกขอ์อัตตามาเป็นความทุกข์ของเราเนะนะอัตตามันกําลังทุกข์ทรมานกําลังดิ้นพรานนะเพราะว่าถูกคนต่อว่าด่าทอถูกคนนินทาวิภาควิจารณ์ก็ปล่อยให้มันนะทุกข์ไปนะสมเพศมันบ้างหรือว่าหัวร้อยยอะมันบ้างก็ดีนะว่าเพราะงโง่เนี่ยนะถึงทุกข์ทรมานนะเพราะว่าไม่ไว้ไม่มีใครนะ มันที่จะหนีพ้นไอ้คำต่อว่าด่าทอได้แม้กราลังพระพุทธเจ้าก็ต้องเจอนะเจอหนักด้วยนะถึงก็ถูกใส่ร้ายว่าไปฆ่าคนไปฆ่าผู้หญิงนะหรือว่าไปทำผู้หญิงท้องนะแต่คนที่มตาเนี่จะแม้เจอเบาบางกว่านี้ก็ทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับให้เราต้องรู้จักนะต้องรู้จัก นะหาทางลดละอัตตาหรือว่าพูดให้ถูกคือลดละความยึดมั่นว่ามีอัตตาลดละความยึดมั่นว่ามีตัวกูถ้าหมดความยึดมั่นเมื่อไหร่นะก็สบายเบาใครพูดอะไรก็ไม่สะเทือนเพราะเหมือนกับว่าเมื่อคว่างก้อนหินใส่อากาศเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าควางก้อนหินใส่กระจกนะกระจกมันก็สะเทือนหรือบางทีก็แตกเลยเราจะทําตัวเป็นอ า, ากาศว่างหรือทําตัวเป็นกระจกนะถ้าเราทําตัวเป็นกระจกนี่มันก็ต้องแตกต้องราวอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราทําตัวเป็นอ า, ากาศไม่มีตัวตนนะใครควางก้อนหินไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคนที่ลดละอัตราจนไม่เหลือเลยเนี่ยหรือลดละความยึดมั่นจนไม่มีความยึด ถือว่ากูเลยเนี่ยก็เหมือนกับอากาศสทธาดนะแต่คนที่มีตัวตนอยู่นะก็เหมือนกับกระจกนะกระจกที่บางด้วยเจอแค่ก้อนก ล, วย ก, ลวยก้อนหินขว้างก็แตกแล้วหรือไม่ก็ราวนะเราอยากจะเป็นแบบไหนนะนะถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนกับอากาศสาัทธที่ขว้างอะไรไปก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องฝึกนะ อันนี้แหละที่บอกว่าเราเนี่ยต้องรู้จักนะไม่เพียงสละสิ่งดีๆที่มีอยู่นะแต่ต้องรู้จักสละสิ่งไม่ดีที่ยึดเอาไว้ด้วยและนี่แหละคือหน้าที่ของของภาวนานะและถ้าเราทำได้เราจะพบความสุขนะที่ประเสริฐนะไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการมีการได้วัตถุนะจะเกิดจากการที่เราสละสิ่งต่างๆไปนะจกนกระทั่ง มันว่างนะพอว่างแล้วเนี่ยก็จะสุขอย่างแท้จริง